วันนี้นับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งคณะสัทหายา จ, จมจากจาตุรทิศเคยมาการาบคารวะองค์หลวงปู่สมัยเมื่อหลวงปู่ยังทรงทาาถขันอยู่หลวงปู่ท่านให้ความสำคัญอย่างมากในการกราบไหว้เคารพสักการบูชาพระธาตุของท่านถ้าว่าผู้ใดมามากราบท่าน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 ที่พวกเราได้สงน้ำได้สงพระธาตุในวันนี้เพราะนั้นถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลสําหรับพวกลูกหลานทั้งหลายวันนี้มาคบรอบวันสงพระธาตุอีกช่วงหนึ่งก็เป็นวันวิสาขบูชาวันนั้นก็เป็นวันสงพระธาตุที่หลวงปู่เคยแนะนาบอกกล่าวชักชวนพี่น้องประชาชนจัตตาญาติโยมลูกหลานให้มาสงพระธาตุสองวันปีหนึ่งมีอยู่สองวัน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 ก็เมื่อทราบว่านี่แหละหลวงปู่พาสงพระธาตพ่ อ, พอมพากันหลังไหลามาทีนี้มากราบมาไหวามากราบสรีระของหลวงปู่ด้วยแล้วก็มาสงพระธาตของหลวงปู่ด้วยเพราะนั้นวันนี้ถือว่าเป็นวันกราบไหว้สักการะบูชาของพวกเราลูกหลานทั้งหลายและก็เป็นวันสำคั ญ, ญยิ่งคือวันมาฆบูชา อย่างที่พวกเราได้บรรยายให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านวันเช่นนี้เราควรจะทำตนอย่างไรที่นี เ, เรามันต้องโอปัญิโกน้อมเข้ามาหาพวกเราท่านทั้งหลายควรจะบูชายอย่างไรบูชานี่คือบูชาบูชาบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ควรบูชาคือพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้า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 เดินออกนอกรลูนอกทางที่อัตมาได้พูดเดินออกนอกวงนอกรั้วของสินห้าแล้วมีแต่ความหายนะที่จะเข้าสู่ชุมชนและสังคมในยุคนั้นๆในกลุ่มนั้นๆในบุคคลนั้นๆ น, น, นี่แหละถ้าว่าพวกเราอยู่ในสินห้าพวกเราจะมีแต่ความพรมเย็นเป็นสุขอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าียว่าพระธรรม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 จากนั้นพอมาขึ้นไปหลวงปู่ล่าหลวงปู่ล่าก็พยายามบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองได้รับคําแนะนําสั่งสอนจากหลวงปู่ล่าเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างเพราะเราไม่ได้รับการศึกษาไม่มีพื้นฐานมาก่อนเพราะฉะนั้นตลวงพ่อเองเมื่อได้รับคําสอนจากองค์หลวงปู่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายทั้งปวงแล้วหลวงพ่อจึงได้ประยุกต์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 คิดนำมาประมวลรูะนั้นหลวงพ่อจึงไปนัดสถานที่ต่างๆพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมกลุ่มใหญ่ เ, เข้ามาหลวงพ่อจะพูดวิธีการปฏิบัติให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาอย่างที่เด็กชายอินเข้าไปกราบหลวงปู่ล่า เ, เป็นครั้งแรกหลวงปูล่ลาท่านก็สอนอสอน อ, อ้าวเข้ามาสู่วัดนะมาอยู่ป่ารงพงไพ่น ะ, เ, ะเทวบุตรเท ว, วดา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 ตัวเล็กๆที่ไปกับพ่อไม่รู้ที่ไปนอนที่ไหนไปมุดเข้าท้องเกวียนพอหิม่เห็นพ่อมามืดคข้าเข้าข้าเข้าไม่รู้จะไปที่ไหนหมดุดเข้าไปในท้องเกวียนแล้วก็นอนพอนอนทีนี้อมนุษย์อมนุษย์ก็คือพวกพวกผีกระสือพวกผีอะไรก็ไม่รู้ล้วอมนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ทีนี้ก็อมนุษย์ตนหนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิ เ, เห็นเด็กนอนเด็กน้อยนอนอยู่ใต้ถุนเกวียนนะอมนุษย์ที่เป็นมิตรสาธิฐินะบอกแงไปจะตกขาไอ้ดูที่มันมันจะเป็นยังไงเด็กคนนี้านะไอแต่คนหนึ่งบอกว่าเอออย่าอย่าไปทํานะไอเขาเป็นดูดูแลฟังฟังดูดูแล้วเขาเป็นสัมมาทิฏฐินะไ อ, อพ่อเขาเขานี่ยยึดพระพุทธเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นจรณะเป็นที่พึงนะอย่าไปล้อเล่นเขานะ คืออามนุษย์สองคนคนหนึ่งตั ว, ตวนึ่งเป็นมิจฉาทิฏฐิตัวหนึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมทีนี้ไอ้ตัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยไม่เชื่อกันเลยเอ๊ะทดลองดูสิมันจะเป็นยังไงตอนนี้นก็เลยไปกระตุก ข, ขาไปกระตุก ข, ขาเด็กคนนั้นอะกำลังนอนอยู่ เ, เด็กคนนั้นกับพ่อแม่สอนให้ก่อนหลับก่อนนอนก็ให้ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเ อ, อเรื่องว่าก่อนนอนก็ อลหังสวากขาโตสุปฏิปันโนพุทธังธรรมังสังขังก่อนนอนให้พุโทโธพุโทโธนะั้นพ่อแม่เขาก็สอนอย่างนั้นแต่นี้เด็กคนนั้นมันก็หมดที่พึ่งใช่ไหมพ่อก็ไม่เห็นออกไปเพราะพ่อตามวัวเข้ามาในเมืองเขาปิดประตูเขาไม่ให้ออกไปแต่ใ น, นเด็กคนนั้นก็ น, นอนอยู่คนเดียวอยู่ในป่าป่าช้าเาพราะ ฟืนมันหาได้แต่แถวป่าช้าใช่ไหมฟืนที่ไม้แห้งแต่นี้นถ้าแก่ก็นอนนอนอยก็นี่ยละอมนุษย์คนนั้นไปกระตุกขาเนี่ย ก, กระตุกขาเด็กพ่อกระตุกขาท่านน่ะเด็กคนนั้นก็เขามีพุโทโธอยู่ในใจอยู่แล้วใช่ไหมเวลากรรมขั้งกลรมคืนฝันอะไรฝันไม่ดีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยพ่อแม่ก็ให้ภาวนาพุโทโธนะแต่เนี้นเขาก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธพุโทโธเขาวัานนะ่ะเขาล้ำลึกถึง พระพุทธเจ้าเลยทีนี้อ่าอัมนุ์คนนั้นได้ยินกระโดดเหง๋งเลยทีนี้อ่าพออามนุษย์คนหนึ่งที่เป็นสัมมาทิฏฐิเอ้ยไม่ได้นะถ้าเธอทำอย่างนี้ไปเนะี่ยเจ้านายใหญ่ของเราเนะี่ยไปหาเจ้ายายเจ้าต้องมีโทษต้องลงโทษอคนที่ไปทำความชั่วอย่างนี้เจ้าต้องวิธีต้องแก้นะแกอแก้ทดแทนเขา ทำความดีแทนเขามันจึงจะถูกเออมนุษย์ตัวที่ เ, เป็นมิจฉาทิฏฐิจะให้ผมจะให้ผมทำยังไงทางมิจฉาทางตนที่สัมมาทิฏฐิไปเข้าไปเอาอาหารอยู่ในเมืองอใครว่าอมนุษย์มันเป็นหายตัวได้ใช่ไหมล่ะแสดงฤได้หายตัวได้ไปเอาอาหารมาให้เด็กคนได้กินตอนี้ก็พูดผีปีศาจตัวที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะ่ะ มันก็เลยไปนู่นไปหาที่ไหนก็ว่ได้ไปเอาสำรับของพยาปเสนเท่านั้นลมันอยู่ในในเวียงในวังสมัยทุกวันนี้ก็คงจะไปเอาในตู้เย็นนะมั้งแต่สมัยนะั้นคงไม่มีตู้เย็นเขาก็เก็บไว้อาหารที่มันยังมีอยู่อมนุษย์คนนั้นก็เลยไปเอาอาหารมาให้มาถึงมาแล้วก็ปลูกให้เด็กมนเด็กมันก็หิวอาหารเนี่ยพ่ อ, อไปเสร็จแล้วอาหารเย็นก็ไม่ได้กิน ปลูกขึ้นมาก็ลูกลูกลกลูกขึ้นมากินอาหารมาเด็กนี่นก็งัวงเงียขึ้นมาใชก็เห็นอาหารมันก็หม่อมว่าใช่พอกินเสร็จแล้วก็นอนต่ออีกใช่อมนุษย์ตัวนั้นก็เลยทิ้งชำรบทองคําทิ้งไว้ที่นั้นใช่จากนั้นก็ ต, ต่างคนต่างไปแล้วแต่ไหนพอถุงเช้ามาพ่อก็เลยรีบออกไปเอาวัวล้อออกไปพอออกไปไปถึงลูกชาย พวกในเมืองเธอก็ว่าเนี่ยจานทองคําของพระเจ้าประเสริฐหายไม่รู้หายไปไหนแต่ก็คนทั้งหลายก็ออกออกคนละทิศคนละทางกันพวกตารวจนะออกไปก็ไปเห็นออจานทองคําอยู่ใต้ถุนเกวียนนะเขา ก, ก็จะจับพ่อไงลงโทษโทษประหารอีกต่างหากไงทางผู้พ่อนะผมก็ออกมาจากในเมืองเดียวนี่แล้วถามเด็กเด็กมันเป็นยังไง เด็กก็บอกพ่อพ่อแล้วเอาอาหารมาให้กินมาคืนเดียวโรกโรคโรคโรคโรคผมขึ้นมาผมก็ไม่รู้แล้วผมก็กินกินมันเด็กเด็กน้อยอเขาบอกว่าพ่อเป็นโทษท่นี่เอาพ่อออกมาจากในเมืองท่นี่พลเนสูตรตำรวจก็ไม่รู้จะเอาโทษยังไงท่นี่พลเนรสูตก็เลยนําไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าโอ้ยอมนุษย์อนี่แหละอันนี้ก็คือตัวอย่างหนึ่งถ้าว่าผู้ใดก็าตาม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 แล้วก็ไหว้ครูซะก่อนไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆเพราะว่าการปฏิบัติภาวานานไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดสอนเราคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอน เ, อเป็นผู้ประกาศ พ, พระธรรมพระธรรมคือคําสอนพระสงฆ์ได้ น, นาพระธรรมมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราได้ศึกษาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จากนั้นเราต้องไหว้ครูซะก่อนไหว้พุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบซะก่อน จากนั้นค่อยเอามือเอามือขวาทับมือซ้ายจากนั้นให้ภาวนาเนอะให้หายใจเข้าให้กาหนดลำลมหายใจเข้าพดหายใจออกโธหายใจเข้าพุดหายใจออกโทพดโธพทโธให้อยู่ที่ปลายจมูกเหมือนก็เรายือนอยู่ข้างประตูอย่างนั้นหละคนเข้ามาเรารู้ว่าคนเข้า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 สักสองสาี่หครั้งเราจะรู้ได้ว่าลมกระทบที่ไหนให้เอาสติจับอยู่ตรงนั้นให้มีสติสัมปัญญะที่ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละให้ทำอย่างนี้นะวิธีการภาวนาต่อไปจิตใจของเราเข้มแข็งมันไม่เผลอต่อไปใจของเราจะรวมสงบลงสงบมันไม่ปิดปุ่งฟุงซ่านจิตใจไม่หิวไม่หย่ย กับเรื่องต่างๆจิตใจจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแน่วแล้วนะมีความสุขนะัตติสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าจิตใจสงบไม่มีนี่แหละเบื้องต้นนะต่อไปกับเป็นจิตใจเป็นสมาธิไปเรื่อยๆต่อไปกับพิจารณาทางด้านปัญญาต่อไปนี่แหละองค์หลวงปู่ที่ท่านแนะนำสั่งสอนอบอกกล่าวาสมัยหลวงพ่อเป็นเด็ก นั้นหลวงพ่อจึงได้นํามาประยุกต์ใช้บอกกล่าวให้แก่คณะทาญาติโยมผู้ที่เข้ามาศึกษาผู้เข้ามาฟังให้ปฏิบัตินะถ้าว่าผู้ใดมีสมาธิดีจิตใจของเราไม่ปุงไม่ฟุ้งไม่ซ่านแต่ว่าพวกเราไม่เคยฝึกจิตตภาวนาจะเป็นยังไงเมื่อไปฝึกจิตตภาวนาก็ทําให้เป็นอันเซเมอร์ได้ไง่ายๆเหมือนกันนะและก็หลงลืมได้ไง่ายๆเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็ลืม แล้วก็จิตใจจะรวนเละจะคิดปรุงฟุ้งไปทางอื่นถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นบ้าเป็นบออะ ไ, งอไ ร, ไรง่ายๆพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางไม่รู้จักปร่งไม่รู้จักจะไม่รู้จักปร่งถ้าคนภาวนาทําจิตใจให้สงบจิตใจเป็นสมาธิดีแล้วนะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะวิ่งเข้ามาหาพุทโธพุทโธนะเหมือนกับเด็กชายหนุ่มเด็กชายเด็กน้อยคนนั้นล่ะ ถา้ามีอะไรเกิดขึ้นกับวิ่งขหาพุทโธอันนี้ก็เหมือนกันนั่นแหะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นโลกธรรมทั้งหลายนินทาจลาเสริญ เ, เข้ามาใจของเราก็จะวิ่งเข้ามาหาที่เกาะที่กำบังเพราะอะไรเพราะเราเคยฝึกมาทางจิตตภาวนามาทางนี้แล้วถ้ามีอะไรเกิดขึ้นเราก็วิ่งเข้ามาหากําหนดดูพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นในโลกถึงขาวตายมันก็ต้องตายในโลกแเราจะไปอยู่คำชั่วฟ้าดินสลายได้อย่างไรนี่แหละถ้าคนภาวนาแล้วมันจะปรงตกอย่างนั้นจะมีธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจจิตใจของเราจะเป็นหลักจิตใจของเราจะเข้มแข็งจิตใจของเราจะรู้เท่ารู้ทันรู้เรื่องต่างๆแต่ถ้า่าคนที่ไม่เคยภาวนานะจิตใจมันปวกเปียกจิตใจมันลวนเล จิตใจไม่เคยมีอะไรเป็นยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจถ้าเขาแนะนําอันไหนถ้ามีอุปสรรคมีราบเสื่อมราบเสื่อมยศมีทุกข์เข้ามาใครแนะนํำยังไงเอาหมดเลนี่เขาแนะนําให้กินขี้หมาก็กินเหมือนกันเถอะเพราะว่าจิตใจไม่มีหลักถ้าจิตใจมีหลักไมแ่แหละจิตใจจะต้องมั่นคงเชื่อมั่นในศิลในธรรมเชื่อมั่นในตนเองถ้าคนภาวนา นั้นขอให้พวกเราคณะนัทาญาตโยมุกลูกหลานทุกคนนะทุกๆ ท, ท่านนะให้ฝึกฮัดไว้เรื่องภาวนาไม่ใช่ของพระนะเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายสติสัมปชัญญะคนที่มีสติสัมปชัญญะถูกับตัวเองไปอยู่นักสถานที่ใดดีทั้งหมดนะั่นแหละถ้าว่าคนขาดสติมากๆแล้ว เ, เป็นยังไงพวกเราก็คงเห็นผมยาวๆอื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 เรียนหนังสือคนอื่นเรียนก็เขาก็ได้ความรู้ของเขาเขาภาวนาก็เป็นได้ความรู้ของเขาถ้าเราไม่เรียนเท่ามันเราไม่ศึกษ า, ถ, าถ้าเราไม่ปฏิบัติเราก็ไม่ได้เพราะนั้นเรื่องการบางสีบางอย่างทำแทนกันได้แต่บางสีบางอย่างทำแทนกันไม่ได้ก็มีเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านนะนั่งภาวนาเอาทีนี้พวกเรารู้แล้วว่าการภาวนานะเป็นยังไงเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะพานั่งภาวนานะ ไม่นั่งนานนะทั้งสักสินาทีอย่างที่ให้ได้ครบสูตรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าพวกทานเราก็ได้ทานแล้วไดกว้กราบไหว้สักการบูชาเราก็ได้ทําแล้วบัตนีเ้เรื่องศีลเราก็ได้มีศีลด้วยกันอยู่แล้วแต่นี้ต่อไปนั่งภาวนาทีนี้นะภาวนาเนี่หลวงพ่อจะแนะนําแนวของหลวงพ่ออีกอย่างหนึง่งพอกรรมฐานพระพุทธเจ้าวางไว้ที่สี่สิบอย่างนะหลวงปู่มั่นกูบาอาจารย์แนะนําเอามาใช้ก็คือ อาณาปานสติพร้อมกับบริกรรมพทโถท่านเอามาใช้สองอย่างกรรมฐานสี่สิบนะแต่หลวงพ่อขอแนะนำให้แก่คณะทาญาติยาโยมที่นั่งในวันนี้ท่านนั่งดูแล้วหายใจเข้าให้นับนะนับตัวเลขหนึ่งหายใจออกนับสองหายใจเข้านับสามหายใจออกนับสี่นับ5้านับหกจนถึงร้อยถ้ามันไม่เผลอถึงร้อยไปว่าดีนะดีมากแล้วเริ่มเริ่มดีเลยะ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 ขณศจัทาญาณโฉมลูกหลานทุกค น, นเอานั่งสมาธิที่นี่นะเมื่อเอาขาขวาทับขาซ้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วให้พวกเราปรนมมือขึ้นระหว่างอกไหว้ครูซะก่อนพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆสามจบจากนั้นเอามือลงในเมื่อเอามือลงแล้วก็ให้แผ่เมตตาอย่างที่